ในพระพุทธศาสนามีการสอนให้กระทาให้เกิดความเป็นสิ็จในมงคลขึ้นมาให้แก่ชีวิตมี38วิธีด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถ้าอยากจะให้มีชีวิตมีความสุขความเจริญ มีความเป็นสิลิมงคลให้กระทำสามสิบแปดวิธีต่างๆที่ได้ส่งแสดงไว้ในมงคละงคละสูตรมงคลละสูตรที่เราเคยได้ยินได้ฟังพาะ ส, สวดอยู่เรื่อยๆอเซวนาจบาลานังบันดิตานันจเซวนาปูชาจปูชนียานัง ใตัมมังกาลมุตต ม, มังการไม่คบคนผ่านหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่สามข้อแรกของในมงคลละสตรถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขความเจริญ มีสิริมงคลให้ลองทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนข้อที่หนึ่งสอนอย่าคบคนพาลคนพาลคำว่าพาล น, นี้ภาษาบาลีแปลว่าคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดเป็นอย่างไร คนไม่ฉลาดเป็นคนที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ประมาณนี่คือตัวอย่างของคนไม่ฉลาดไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลไม่รู้ว่าเหตุกับผลนี้ เกี ism, ย่ยวเนื่องกันอย่างไรส่วนคนฉลาดบัณฑิตให้คบบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าคนฉลาดภาษาบัณฑิตทางโลกเราก็หมายถึงคนที่จบปริญญาเรียกคนที่จบปริญญาตีว่าเป็นบัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอก แต่ถ้ายังจบแค่ม .6 นี่ยังไม่เรียกว่าเป็นบรณฑิตนะครับยังไม่ฉลาดพอแต่ความฉลาดของทางโลกกับของาความฉลาดของทางธรรมนี้ไม่เหมือนกันความฉลาดทางโลกนี้ยังถือว่างโง่อยู่เพราะว่าเป็นความฉลาดที่เอาตัวไม่รอดไม่รอดจากอะไร ไม่ลอดพ้นจากความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆเพราะทางโลกไม่ได้สอนเรื่องเหตุเรื่องผลไม่ได้สอนให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณรู้กาลเทศะอันนี้แหละคือความรู้ที่เราควรจะรู้กันถ้าเราอยากจะ เป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเพราะถ้าเรารู้ความรู้ทั้งเจ็ดชนิดนี้แล้วเราจะทำให้ชีวิตของเรานี่ไม่มีปัญหากับใครไม่มีเรื่องกับใครไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเพราะการกระทาที่รู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ จะทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมานั่นเองดังนั้นถ้าเราไปคบคนพาลคนโง่คนไม่ฉลาดเขาก็จะพาเราโง่ไปด้วยถ้าเราครบคนฉลาดเขาก็จะพาให้เราฉลาดไปด้วยดังนั้นขอให้เราเลือกคบค น, คนพาลคนโง่มักจะเป็นคนไม่ดี คนบัณฑิตนี้เป็นคนฉลาดมักจะเป็นคนดีเพราะรู้ว่าความดีความช่่อเป็นอย่างไรจะรู้เหตุก็รู้ว่านความดีความชื่อนี่คือการสิ่งที่จะทำให้เกิดความดีความช่่อคืออะไรก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ ถ้าคิดดีก็จะพูดดีทำดีถ้าคิดชั่วก็จะพูดชั่วทำชั่วนี่แหละคือเหตุเหตุที่จะทำให้เกิดผลผลคืออะไรผลก็คือความสุขหรือความทุกข์นี่เกิดคุณหรืเกิดคุณประโยชน์หรือเกิดโทษผลนี่เกิดจากเหตุเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ เกิคุณประโยชน์หรือเกิดโทษก็เกิดจากเหตุคือการกระทํานี่เองถ้าทําดีพูดดีคิดดีผลคือความสุขก็จะตามมาความเจริญก็จะตามมาความเป็นสิริมงคลก็จะทำมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีผลคือความทุกข์ก็จะตามมา โทษก็จะตามมาอัปปมงคลต่างๆก็จะตามมานี่คือการรู้เหตุผู้ที่รู้เหตุรู้ว่าถ้าอยากจะมีความสุขมีความเจริญซึ่งซึ่งเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทำก็ต้องมาดูที่การกระทำอย่าไปดูที่ผล คนโง่ส่วนใหญ่คนไม่ฉลาดจะไปดูที่ผลเห็นเขารวยก็อยากจะรวยเหมือนเขา เ, เห็นเขาเก่งก็อยากจะเก่งเหมือนเขาแต่ไม่ไปดูที่เห็นว่าเขารวยมาได้อย่างไรเขาเก่งมาได้อย่างไรก็เลยอาจจะไปรวยแบบไม่ถูกวิธีไปรวยด้วยการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปช่อโกงของทรัพย์ของผู้อื่น รวยแบบนี้มันไม่ได้รวยแบบมงคลรวยแบบเกิดโทษขึ้นมาเพราะถ้าไม่ช้าก็เร็วอาจจะถูกจับไปลงโทษก็ได้ถ้าไปทำผิดกฎหมายไปลักขโมยไปช่อโกงนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้ดูที่เหตุว่ารวยที่เป็นมงคลเป็นยังไงก็เลยไปทำ รวยที่ไม่เป็นมงคลขึ้นมาไปติดคุกติดตารางขึ้นมาเพราะว่าไม่ดูที่เหตุว่าการที่จะรวยแบบเป็นมงคลทำอย่างไรรวยแบบเป็นมงคลก็ต้องรวยแบบซื่อสัตย์สุจริตทำมาหากินแบบซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำบาปไม่ทำผิดกฎหมายนี่คือเหตุ ที่จะทำให้เจริญให้ร่ำรวยต้องการกระทาต้องเป็นการกระทาที่ซื่อสัตย์สุดจริตคือไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายามเมาเพราะการกระทาเหล่านี้เป็นการกระทาที่จะนำให้เกิดความเกิดโทษเกิดความเสียหายหตามมานั่นเอง นี่คือการรู้เหตุรู้ว่าความสุขของเราความทุกข์ของเราความเจริญหรืความเสื่อมเสียของเราเกิดจากการกระทาของเราเกิดจากการคิดของเราเกิดจากการพูดของเราเกิดจากการกระทาทางร่างกายของเราและการกระทาของเรานี้ ความคิดนี่เป็นหัวหน้าใจเป็นนายกายเป็นบา่าวความคิดนี้ออกมาจากใจพอคิดแล้วก็สั่งไปที่ร่างกายสั่งให้พูดสั่งให้ทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้พวกเราก็คิดกันก่อนที่จะมาวัดว่าวันนี้จะมาวัดจะมาทำบุญเนี่ยนี่ก็คิดดี การทําบุญนี้ไม่เกิดโทษมีแต่เกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์อย่างไรเวลาทําบุญแล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาไม่เกิดโทษไม่เหมือนกับการไปทําบาปไปทำบาปแล้วเกิดความร้อนใจทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือเหตุและผลเหตุคือการกระทา ของกายวาจาใจผลก็เกิดที่กายวาจาใจเกิดที่ใจเป็นหลักเกิดที่ใจเกิดความร้อนใจทุกข์ใจหรือเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเกิดจากการกระทำเหตุที่ดีหรือไม่ดีเหตุที่ดีเราเรียกว่าบุญเหตุที่ไม่ดีเราเรียกว่าบาป ถ้าคบกับบัณฑิตบัณฑิตก็จะสอนให้ทำเหตุที่ดีให้ละเหตุที่ไม่ดีให้ทำบุญให้ละบาปนี่คือเรื่องของเหตุและผลแล้วใครจะเป็นบัณฑิตที่เราควรจะเข้าหาบัณฑิตที่เก่งที่สุดที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง ลองลงมาก็พระสาวกทั้งหลายพระอริยสงสาวกทั้งหลายลองลงมาก็พระผู้ทรงศีลถ้าเราอยากจ ะ, ะคบบัณฑิตนี่คือบัณฑิตที่แท้จริงคบพระพุทธเจ้าเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระอริยสงสาวกแล้วเราจะได้ ยินได้ฟังคําสอนที่จะสอนให้เราสร้างเหตุที่ดีเพื่อผลที่ดีที่จะเกิดที่เราต้องการพวกเราทุกคนนี้ต้องการความสุขความเจริญไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความเสื่อมเสียไม่ต้องการโทษนี่คือทําไมเราจึงต้องคบบัณฑิตไม่คบคนผ่าน ถ้าคบคนพาลคนพาลก็จะชวนเราไปทําบาปคนพาล น, นี้ชอบทําบาปชอบอบายามุขชอบเดิมซาราชอบเล่นการพรานันชอบเที่ยวกลางคืนชอบความเกลียดคร้านชอบคบคนที่เป็นคนพาลด้วยกันนี่คือสิ่งที่ถ้าเราครบกับบัณฑิต บัณฑด็ จ, จะบอกให้เราอย่าไปคบคนพาลอย่าไปคบคนที่ชอบเสพอบายามกุกอย่าไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนชอบความเกลียดคร้าเพราะการกระทำเหล่านี้ไม่เกิดรายได้มีแต่รายจ่าย ถ้ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนี่เดี๋ยวก็ต้องล้มละลายเงินทองก็จะหมดหรือไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะไปหาวิธีด้วยการกระทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงแล้วถ้าเกิดการต่อสู้กันก็อาจจะเกิดการฆ่ากันขึ้นมา นี่คือวิธีของคนพาลเป็นอย่างนี้คนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้อยากได้ผลแต่ไม่รู้ว่าผลที่ที่ดีเป็นอย่างผลที่ดีเกิดจากเหตุอะไรก็เลยไปทำ เ, เหตุที่ไม่ดีแล้วก็เลยได้ผลที่ไม่ดีตามมา ถ้าเราครบกับคนพาลเขาก็จะสอนจะชวนให้เราไปทำแบบที่เขาทำอยู่เขาเดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาเที่ยวกลางคืนก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนเราไปอยู่แถวพัทยาใต้ด้วยเดีอยวถ้าก็จะชวนเราไปทำอะไร นี่คือคนผ่านเขามีคำพูดอย่างว่าคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปพัทยาตายนี่คือเรื่องของการรู้จักครบคนครบคนดีครบคนไม่ดี คนฉลาดหรือไม่ฉลาดคนฉลาดจะรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุของความสุขของความเจริญคนไม่ฉลาดจะไม่รู้จากเหตุของความเจริญว่าเกิดจากการกระทำอะไรนี่คือตัวอย่างของคนฉลาดกับของคนไม่ฉลาด ไปวัดเนี่ยจะได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญไปวัดก็จะสอนให้เราทำบุญทำทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราไหว้พระสวดมนสอนให้เรานั่งสมาธิสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดวิชาความรู้ความฉลาดขึ้นมา พอเรามีความรู้ความฉลาดเราก็จะสามารถที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจของพวกเราได้ความเจริญนี้มีสองแบบความเจริญทางโลกกับความเจริญทางธรรมความเจริญทางโลกนี้ศาสนาว่าไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงเป็นความเจริญชั่วคราว ความเจริญทางธรรมนี้เป็นความเจริญที่แท้จริงเพราะเป็นความเจริญที่ยาวนานที่ถาวรความเจริญทางโลกก็คือความเจริญทางร่างกายนี้เองการเจริญจากสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้สิ่งที่ร่างกายหามาได้ก็คือข้าวของเงินทองต่างๆยศ ถาบรรดาศักต์ตำแหน่งต่างๆทางนี้มีเลือกตั้งกําลังวิ่งหาตําแหน่งกันนะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเมื่อเช้านี้มีเห็นใบปลิวหาเสียงผู้ใหญ่บ้านออกมานะหาผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเทศบาลเป็นสมาชิกเทศบาลเป็น อ, อบอจอ เป็นอบอบตเนี่ยนี่คือยศเขาเรียกว่าตำแหน่งต่างๆของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเพราะว่าได้มาไม่กี่เดือนกี่ปีก็อาจจะหมดได้พอหมดความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่กลับเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์เวลามีหน้ามีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส พอเวลาพ้นจากตำแหน่งไปก็น่าบึ่งตึงน่าเศร้าซ้อยหงอยเหงาเนี่นี่คือความเจริญทางโลกเป็นความเจริญที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทำให้กายเป็นความทุกข์ต่อไปไม่ช้าก็เร็วต้องมีการสิ้นสุดลงเพราะในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไป พอร่างกายตายไปความเจริญต่างๆที่หามาได้ผ่านทางร่างกายก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวเอากำนันไปไม่ได้เอาผู้ใหญ่บ้านไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยถ้าความเจริญทางโลกนี้เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวเอาลาบยศสรรเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปไม่ได้ การเจริญทางธรรมนี้เอาไปได้ความเจริญทางธรรมนี้คือความเจริญทางจิตใจจิตใจของเรานี่มีการพัฒนาได้เหมือนกันตอนนี้จิตใจเราเป็นอะไรเราเรียกว่าเป็นมนุษย์เรามีร่างกายของมนุษย์แต่ต่อไปจิตใจเราอาจจะไปมีร่างกายของสัตว์ในรัจฉานก็ได้ พวกสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่เขาก็มีจิตใจเหมือนเราแต่จิตใจของเขาตกต่ำํำจิตใจเขาเสื่อมเสื่อมเพราะการกระทําบาปเขาไปทําบาปเขาไปลักขโมยเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาชอบลักขโมยกันเพราะเขาไม่มีอาชีพสุจริตนในสังคมของเดรัจฉานนี่ไม่มีอาชีพสุจริตเป็นเหมือนสังคมของโจระ อยู่แบบโจรอยู่แบบลักขโมยอยู่แบบทําร้ายทาลายกันใครตัวเล็กกว่าก็กลายเป็นเหยื่อของตัวที่ใหญ่กว่า <c oughs> ถ้าเราเป็นมนุษย์แต่เราทำแบบเดรัจฉานเราทำบาปอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังไปเป็นเดรัจฉานแะ้วจิตของเราเสื่อมแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว ตกลงไปต่ำกว่าการเป็นมนุษย์การจะเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ถึงจะสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายามาถ้าเราสามารถรักษาศีลห้านี้ได้ เราก็รักษาใจของเราให้เป็นมนุษย์ได้ไม่ให้ตกต่ำแต่ไม่ได้ขึ้นสูงได้อยู่ที่เดิมได้ตำแหน่งเดิมเป็นมนุษย์เหมือนเดิมตายไปปั๊บก็ไปเปะไปเกิดนอคิวไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้รักษาสีลเราทำบาป พ, พอตายไปนี้จิตเราตกไปเป็นเดรัจฉานแะล้ เราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนเพื่อใช้บาปที่เราทำก่อนพอใช้บาปที่เราทำหมดแล้วเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของความเจริญหรือความเสื่อมของจิตใจมันมันตามเราไปหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว ตอนนี้ร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ถ้าใจเราไปเป็นเดราฉานพอร่างกายของมนุษย์ตายไปร่างกายอันต่อไปของเราจะไม่เป็นมนุษย์ร่างกายอันต่อไปของเราจะเป็นเดลฉานแทนแล้วก็จะเป็นเดาฉานไปจนกว่าบาปที่เราทำไว้หมดกำลังลงพอหมดกำลังแล้วต่อไปถึงจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราได้ทำบุญทำความดีต่างๆเช่นวันนี้เรามาทำบุญทำความดีดีอย่างไรถึงเลขกาดีคือทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเอาประโยชน์เอาความสุขให้แก่ผู้อื่นวันนี้ญาติโยมเอาเข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม่สอยเครื่องกินเครื่องใช้อะไรต่างๆมาถวายพระ ให้ความสุขกับพระให้ประโยชน์กับพระนี่เรียกว่าทำบุญถ้าทำบุญแล้วบุญนี่เราเอาติดตัวไปได้บุญที่เราทำนี่มันอยู่ในใจเราคืออะไรคือความสุขใจอิ่มใจเย็นใจสบายใจนี่เองพอร่างกายเราตายไปใจเราที่มีบุญก็จะเป็นเทวดา เทวดาก็คือจะดวงวิญญาณที่มีความสุขใจอิ่มใจนี้เองแล้วเราก็จะอยู่เป็นเทวดาไปจนกว่าบุญที่เราทำมันหมดเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือความเจริญทางโลกกับทางธรรมความเจริญทางธรรมนี่ยาวนานกว่าความเจริญทางโลกความเจริญทางโลกจเจริญเดี๋ยวเดียว บางทียังไม่ทันตายก็เสื่อมไปเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านได้สี่ห้าปีเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่ก็หมดไปส่วนความเจริญทางทางธรรมนี้อยู่เน๋ยวนี้ญาติโยมทำบุญนี่ความสุขใจอิ่มใจนี้จะอยู่กับญาติโยมไปเรื่อยจะมีความรู้สึกอิ่มใจสบายใจกว่าเวลาที่ไม่ได้ทำบุญ แล้วถ้าหมั่นทำบุญอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเวลาตายไปจะได้มีความสุขมากขึ้นนานขึ้นไปอยู่เป็นเทวดาได้ยาวนานต่อไปนี่และคือเรื่องของเหตุเหตุคือการกระทำของเราทำบุญไม่ทำบาป ก, ก็จะทำให้เราพัฒนาจิตใจ จากมนุษย์ให้กลายเป็นเทวดาแล้วเหนือชั้นเทวดาก็ยังมีอีกถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าชั้นเทวดาไปมีความสุขกว่าชั้นเทวดาเรายังสามารถเพิ่มบุญได้อีกทำบุญเพิ่มได้อีกนอกจากรักษาสีหนา้านอกจากทำบุญแล้วเราก็มานั่งสมาธิกันาการนั่งสมาธินี เพื่อทำใจให้สงบเนี่ยจะพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรียกว่าระดับพรหมพรห ม, มโลกสวรรค์ชั้นพรหมนี้มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพนะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับนั่งเครื่องบินชั้นธรรมดากับชั้นพิเศษนะชั้นธรรมดาบริการก็แบบธรมธรมดาธรรมดาพอถูถ่ายไปพอไม่ให้อดตาย มีอาหารก็อาหารกล่องอะไรอย่างนี้ถ้าชั้นพิเศษที่อาหารก็จะเป็นอาหารตามสั่งอาหารใส่จานใส่แก้วใส่ถ้วยมามีคนเสิร์ฟคอยอค่ อ, คอยเติมเครื่องเดิมค่อยอะไรดูแลยอย่างใกล้ชิดนความสุขก็ความสุขทางใจก็เป็นแบบนี้มีหลายระดับความสุขของพวกเราตอนนี้คือระดับมนุษย์ะ มนุษย์นี้สุขแบบสุกสุกเดบบสามวันดีสี่วันไข้บางวันก็สุขบางวันก็ทุกฮะแต่ถ้าพอขึ้นไปเป็นเทวดามันจะสุขมากกว่าทุกแล้วทุกจะน้อยมากกว่าสุกแล้วถ้าขึ้นไประดับพรมนี่ทุกจะหยุดทำงานชั่วคราวจะเป็นความสุขตลอดเวลาแล้วเหนือจากนั้นยังมีชั้นอีกชั้นหนึ่ง ชั้นของพระอริยเจ้าชั้นของพระพุทธเจ้านี่เป็นความสุขแบบที่ไม่ต้องกลับมาเกิดความสุขระดับเทพความสุขระดับพรหมนี้ยังต้องเสื่อมหมดไปพอความสุขระดับพรหมเสื่อมลงไปก็กลับมาเกิดกลับมาอยู่ในความสุขระดับเทพพอความสุขระดับเทพเสื่อมไปก็จะกลับมาลงมาเกิดอยู่ในความสุขระดับมนุษย์ แล้วก็ต้องมาสร้างบุญใหม่ถ้าอยากจะกลับขึ้นไปใหม่แต่ถ้าอยากจะไปแบบไม่กลับมาก็ต้องเพิ่มบุญอีกระดับหนึ่งคือการฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาให้เกิดความฉลาดให้ให้รู้จักวิธีรักษาความเจริญของใจไม่ให้เสื่อมวิธีจะรักษาความเจริญของใจไม่ให้เสื่อมก็คือต้องคอยกำจัดกิเลสตัณหา ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเพราะตัวที่ทำให้ใจเราเสื่อมก็คือกิเลสตัณหานี่คือความโลภความอยากต่างๆมันจะดึงให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันอยากจะมาหาลาบยศจละเสนอยากจะกลับมาเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรต่างๆนี่ต้องมาเป็นมนุษย์ต้องมีร่างกาย แต่ถ้าเรารู้ว่าการเป็นอะไรต่างๆของมนุษย์นี้มันเป็นชั่วคราวเป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะเวลาความสุขหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียความสุขทางโลกเราก็ต้องอย่าไปอยากหาความสุขทางโลกกัน เวลาเกิดความอยากทางความสุขทางโลกก็เอาปัญญาเอาความรู้นี่มาสอนว่าความสุขทางโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ซ่อนด้วยยาพิษความสุขที่ซ่อนด้วยด้วยความทุกข์พอความสุขหายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีเวลาสูญเสียตำแหน่งไปเนี่ยไม่เห็นมีใครเลี้ยงฉลองกันนะ เนี่ยเดี๋ยวเวลารัฐบาลนี้หมดไปนี่ไม่มีจัดงานเลี้ยงส่งกันจบเขามีแต่เลี้ยงฉลองรัฐบาลใหม่ทีมใหม่แต่ฉลองกันยังไงเดี๋ยวก็จบเหมือนกันเดี๋ยวสี่ปีก็จบหรือไม่ใช่นนั้นเดี๋ยวเกิดการปฏิวัติขึ้นมาก็จบเองเนี่ยคือความสุขทางโลกความเจริญทางโลกมันจะเสื่อมอยู่เรื่อย มันจะหมดไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราใจเราเกิดความอยากที่จะหาความสุขทางโลกเราก็ต้องสอนมันว่าอย่าไปมันเป็นทุกข์มันจะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเราต้องหยุดความอยากนี้อย่าไปทำความอยากทำตามความอยากทำใจให้นิ่งเฉยๆพุโทโธพุโทโธไป นั่งสมาธิไปพอใจนั่งสมาธิได้สงบได้ใจก็หยุดความอยากได้ถ้าทำอย่างนี้กับความอยากทุกชนิดต่อไปความอยากทั้งหลายก็จะหายไปหมดจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปพอไม่มีความอยากได้ความสุขท้ง ทางโลกไม่อยากมีความอยากได้ความเจริญทางโลกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็จะอยู่ที่นิพพานแทนใจที่ไม่มีกิเลสตัณหานี้เรียกว่านิพพานใจไม่ต้องไปเกิดเด็กต่อไปถ้าเป็นร่างกายแล้วก็เรียกว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าใจที่เป็นนิพพานนี้จะ ร่างกายก็จะมีชื่อว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระสาวกต่างๆเนี่ยการไปถึงนิพพานนี้ไม่ต้องรอเวลาตายค่อยไปไปตั้งแต่ตอนที่กิเลสตันหามันตายพอกิเลสตันหาตายปั๊บใจก็ถึงนิพพานทันทีไม่ใช่ว่าจะไปนิพพานตอนที่ร่างกายตายไม่ใช่ใจถึงนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายพระพุทธเจ้าถึงนิพพาน ตอนวันเพ็ญเดือนหกที่เราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยตอนนั้นอายุสามสิบห้าปีเท่านั้นถึงนิพพานแล้วไม่ได้ตายคำว่านิพพานนี้เรามาใช้แทนเวลาที่พระพุทธเจ้าตายเราเรียกว่าท่านนิพพานเราไม่อยากจะใช้พูดคาว่าตายเราก็เลยบอกว่าท่านนิพพานเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินตายเราไม่อยากจะบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินตาย เราจะบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จสวรรค์ไปไปสวรรค์อถ้าพระตายเราไม่อยากจะพูดว่าพระตายเราพูดว่ามรณภาพอถ้าคนตายแล้วก็เรียกว่าอบทลมเราไม่ชอบคําว่าตายกันเราเลยใช้คําพูดต่างๆแทนคําตายกัน ที่เราพอเราใช้คำว่านิพพานให้กับพระพุทธเจ้ากับพระลาหน์เราก็เลยไปหลงคิดว่าท่านไปนิพพานตอนที่ตายตอนที่ท่านยังไม่ตายท่านยังไม่ถึงนิพพานไม่ใช่ท่านถึงตั้งแต่ตอนที่กิเลสของท่านตายถ้ากิเลสในใจตายหมดเมื่อไหร่ก็เป็นนิพพานตั้งแต่บัด น, นั้นไปใจของพระพุทธเจ้านี้กิเลสตัณหาตายไปในวันเพ็ญเดือนหก ตอนที่อายุครบสามสิบห้าปีตอนนั้นใจท่านเป็นนิพพานแล้วใจท่านไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วแต่ร่างกายยังไม่ตายใจก็เลยใช้ร่างกายที่ยังไม่ตายนี้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเอาร่างกายนี้มาแสดงธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ทำอะไรนะหลังจากที่ตัดสรุแล้วมีแต่แสดงธรรมอย่างเดียว ไม่ได้ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาไม่ได้ไปจัดงานผ้าป่ากระถินไม่ได้ภารกิจเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำนะพระพุทธเจ้าทำอย่างเดียวไปดูพุทธกิจห้าที่มีอะไรบ้างภารกิจห้าประการที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญทุกวันมีสี่ภารกิจนี้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมตอนบ่ายแสดงธรรมให้กับคาวาะญาติโยม ตอนหัวข้ามแสดงทำให้แกภิกษุภิกษุณีสมมาเนนตอนดึกแสดงทำให้กับเทวดาตอนยามรุ่งอรุณก่อนที่จะออกบิดาบาตเล็งยานดูว่าวันนี้จะไปแสดงทำให้ใครเป็นกรณีพิเศษนะถ้าใครพร้อมที่จะบรรลุธรรมในวันนั้นแล้วอาจจะต้องเกิดมีการเสียชีวิตไปก่อนก็จะท่งใบโปรดคนนั้นก่อน เพราะว่าถ้าไม่ไม่ได้โปรดเขาจะเสียโอกาสไปเขาพร้อมที่จะบรรลุแล้วแต่ร่างกายเขากําลังจะตายอย่างนี้ท่านก็จะไปโปรดคนนั้นก่อนะไปสอนธรรมะให้เขาไปถึงนิพพานก่อนที่ร่างกายเขาจะตายไปเพราะถ้าใจยังไปถึงไม่ถึงนิพพานแล้วร่างกายตายไปก็ไม่สามารถทําให้ใจไปถึงนิพพานได้เพราะว่า ต้องอาศัยมีร่างกายฟังคำสอนให้รู้ว่าวิธีกรรมจัดวิธีที่จะทำให้ใจไปถึงนิพพานนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จะมุ่งไปโปรดคนที่ที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามได้แต่อาจจะต้องตายไปในระยะเวลาอันใกล้ท่านก็จะมุ่งไปโปรดคนนั้นก่อนอนี่คือกิจที่พระพุทธเจ้าใช้ร่างกาย ของท่านเอามาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วข้อที่ห้าก็ออกบินทบาสโปรสัตว์นะให้พวกเรามีโอกาสได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าใครมีโอกาสได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้านี้ก็จะได้บุญมากเพราะว่าจะได้ฟังคำเทศคำสอนของพระพุทธเจ้าสายบาทไปท่านอาจจะพูดธรรมะคำสองคำเราอาจจะ เ, เข้าใจมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเลยก็ได้ นี่แหลคือเรื่องของจิตใจเรื่องของการพัฒนาจิตใจเนี่ยเพราะจิตใจของพวกเราทุกคนนี้ยังสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะถ้าเปรียบเทียบทางโลกก็คือถ้าเราตอนนี้มีเงินอยู่แสนอย่างนี้เรายังสามารถหาเงินได้มากกว่านี้อีกมากมายหาได้เป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านได้ถ้าเรามีรู้จักวิธีหาเงิน แล้วเราทําไปตามวิธีเดี๋ยวเราก็ได้เองทุกอย่างมันขอให้เรารู้ช่องทางเท่านั้นเองรู้ช่องทางหาเงินล้านว่าทําอย่างไรเดี๋ยวเราก็ได้เงินล้านขึ้นมาจิตใจของพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระสาวกได้ขอให้เรามีคนสอนเท่านั้นเอง ขอให้เรามีธรรมะคอยสอนคอยบอกวิธีการที่จะมีคนสอนธรรมะก็ต้องต้องหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาบัณฑิตเนี่ยถ้าเราหาบัณฑิตที่แท้จริงเราจะได้มีคนสอนให้เราเอาตัวรอดได้ความรู้ทางธรรมนี่แหละเป็นความรู้ที่เอาตัวรอดรอดอะไรรอดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง ความรู้ทางโลกนี้อาจจะรอดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่รอดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจต่อให้เป็นจบปริญญาเอกมาก็ตามรับประกันได้ว่ายังต้องร้องห่มร้องไห้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจยังต้องทุกข์ทรมานใจอยู่เพราะความรู้ทางโลกไม่ได้สอนวิธีกำจัดความทุกข์ทางจิตใจมีความรู้ทางธรรมนี้เท่านั้ น, น, น ที่จะสอนวิธีกำจัดความทุกข์ทางจิตใจผู้ที่เรียนจบปริญญาเอกของทางธรรมนี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วบป็น ญ, ญาเอกก็ระดับพระพุทธเจ้าระดับพระอาหารหันต์นี่เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่จิตใจถ้าระดับปริญญาโทรหรือปริญญาตรีนี้ยังมีความทุกข์อยู่แต่น้อยกว่าพวกที่ไม่ได้จบปริญญา พวกที่เป็นพระอริยเจ้านี่ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะกําจัดความทุกข์เป็นเป็นขั้นขั้นไปพระโสดาบันก็กําจัดความทุกข์ได้ส่วนหนึ่งพระสกิฎารามีก็ได้อีกส่วนหนึ่งได้เม็ดได้เป็นสองส่วนพระอนาคามีก็ได้สามส่วนพระอรหันต์นี้ก็ได้สี่ส่วนได้เต็มเลยกําจัดความทุกข์ได้หมดเลย เหมือนกับนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกทางโลกก็จะกำจัดความทุกข์ทางร่างกายได้มากน้อยต่างกันเพราะสามารถหาเงินทองมาใช้ได้มากน้อยต่างกันปริญญาตรีก็ได้หมื่นกว่าปริญญาโทก็ได้สองหมื่นกว่าปริญญาเอกก็อาจจะได้ห้าหมื่นอย่างนี้ก็เอาเงินมากำจัดแต่เป็นการกำจัดความทุกข์ทางร่างกาย แต่ไม่สามารถมากำจัดความทุกข์ทางจิตใจได้ความจิตใจก็ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้ไปกำจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่เองเพราะไม่รู้จักวิธีไม่ได้เรียนแต่คนที่มาเรียนทางพระพุทธศาสนาเนี่ย จะรู้จักวิธีกาจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆด้วยการเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ให้รู้ว่าการจะกาจัดความอยากต่างๆที่มาสร้างความวุ่นวายใจนี้ให้กาจัดยังไงต้องกาจัดด้วยสมาธิต้องกาจัดด้วยปัญญาคือให้รู้ว่าตัวที่ทำให้เราวุ่นวายใจคืออะไร ก็คือตัวความอยากต่างๆนี่แล้วจะทำยังไงให้ไม่ให้อยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเรถ้าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วมันทำให้เราทุกข์เราจะเอาไหมถ้าเราไปซื้อของแล้วเขาบอกไม่รับประกันนะของนี่ซื้อไปแล้วสองวันเสียช่วยไม่ได้นะเราจะเอาป่ะเราก็ไม่เอาอันนี้ก็เหมือนแต่เราไม่รู้ เขาไม่ได้บอกเขาเขาบอกว่าเ ข, เขาจะโกหกเราว่าดีสินค้าเขาดีเราก็เลยซื้อมาพอซื้อมาแล้วเสียก็ทำให้เราเสียใจคนบางคนซื้อรถมาแล้วเสียอยู่เรื่อยๆส่งเข้าอู่ใบทีไรซ่อมสองวันออกมาก็เสียอีกขอเปลี่ยนรถใหม่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ก็เลยเอารถไปทุบที่หน้าอู่เลยเสียใจหมเนี่ยเพราะว่า ไม่รู้มาก่อนว่าซื้อรถมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าถ้าเราได้สิ่งนี้มาแล้วจะทาให้เราทุกข์เราจะเอาไหมาไม่เอาถ้าเรารู้ว่า แฟนนี่เราจะแต่งงานในวันนี้เดี๋ยวอีกสองวันเขาจะตายนี่เราจะเอาป่ะเราไม่เอาแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปจนวันตายเราจะคิดอย่างนี้กันได้อะไรมาเราจะคิดว่าเราจะได้ความสุขกับสิ่งนั้นไปจนวันตายแต่พอความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นได้อะไรมาเดี๋ยวไม่กี่วันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วกับเรื่องเหล่านั้น นี่เพราะเราขาดปัญญามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆว่าเขาไม่เหมือนเดิมหรอกเขาเป็นอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวพวกนี้เขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ครับเวลาคบกันนี่เป็นแฟนกันนี่โอ้รักกันเอาอกเอาใจกันมั้ยพอมาเป็นของกันแล้วกันนี้ทีนี้ไม่สนใจแล้วจะเอาแต่ใจตัวเองแอะ้วเนี่ยเปลี่ยนไปมั้ย ทำไมมองไม่เห็นกันใช่ีหมถ้าเห็นถ้ามีปัญญาต้องเห็นชันว่าเอามาแล้วเดี๋ยวต้องอช้ำใจนะช้ำอกช้ำใจถ้าไม่อยากจะช้ำอกช้ำใจก็อย่าไปมีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถ้ามันเหงาก็หัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ความเหงาจะหายไปเพราะความสุขของสมาธินี้มันจะโผล่ขึ้นมา จะทำให้เรามีความสุขสบายใจอยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายเราก็จะเลิอกอยากมีแฟนได้นี่คือต้องใช้ปัญญาแล้วก็ต้องใช้สมาธิจะรู้วิธีนี้ได้ก็ต้องมาศึกษากับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านเรียนวิชานี้เรียนวิชากำจัดความทุกข์ใจต่างๆด้วยการปฏิบัติสมาธิ ที่เรียกว่าสมถะภาวนาและปฏิบัติปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าเราภาวนาได้สองอย่างนี้แล้วเราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราจะสร้างความสุขที่จีรังถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดได้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มี ไม่มีวันจากเราไปถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปความสุขที่เราได้ทางธรรมทางใจนี้ไม่ได้จากไปอยู่กับเราต่อไปแต่ความสุขทางร่างกายทางลาบยศสารเสรนนี้มันหมดต่อให้เป็นปธานาธีบรดีเป็นนายกรัฐมนตรีพอตายไปความสุขของรัฐมนตรีไม่ติดตัวไปด้วย ความสุขของน้ของประธานาธิปดีไม่ติดตัวไปด้วยความสุขของมหาเศรษฐีระดับแสนล้านก็ไม่ติดตัวไปได้ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนอกจากบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ท่านั่นเองถ้ามีบุญไปก็ยังมีความสุขติดตัวไปถ้ามีบาปไปก็มีความทุกข์ติดตัวไปอย่างนั้นเราควรที่จะมาให้ความสำคัญต่อการ สร้างความสุขความเจริญทางจิตใจจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะติดไปกับเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมอันนี้เราห้ามไม่ให้มันติดไปกับเราไม่ได้มันจะต้องติดไปกับเราแต่ความสุขความเจริญทางโลกเราอยากจะได้เอาไปก็เอาไปไม่ได้ขอลองใครก็ไม่มีใครก็ส่งไปให้เราได้ เน่เวลาเราตายไปเราเขียนจดหมายมารับหาเพื่อนฝูงที่บ้านจะบอกให้ช่วยส่งเงินไปให้หน่อยนะส่งไปไม่ได้แล้วเอส่งได้ก็บุญนะ น, นั่นเองเอทําบุญส่งไปได้แต่จะให้ส่งเงินที่มีอยู่ในในธนาคารมีกี่ล้านนี่เขาเอาไปแบ่งกันใช้หมดแล้วเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วเขาไม่ส่งมาให้เราหรอกรักกันขนาดไหนก็ตามสมมติว่าถ้าเราเราส เขียนจะไมาติดต่อกันได้คิดคิดว่าเขาจะส่งเงินไปให้เราเปล่าใช่ไหมแต่ก็รู้ว่าเราหมดสิทธ์แล้วไม่มีทางที่จะใช้แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินนั้นแล้วเขาจะไปให้เราให้โง่ทำไมนอ่แหละนี่คือความความสุขความเจริญทางโลกมันเอาติดไปกับใจไม่ได้มันอยู่แค่โลกนี้อยู่แค่ชีวิตนี้พอร่างกายตายไปก็หมดสิทธิ์ แต่ความสุขความเจริญทางจิตใจนี้เอาไปได้หมดถ้าเป็นเทวดาก็เอาไปไปเป็นเทวดาถ้าตอนนี้เป็นพรมก็ไปเป็นพรมต่อทางตอนนี้เป็นพระอริยก็ไปเป็นพระอริยต่อ ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้ท่านก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เชื่อไหมร่างกายท่านตายไปแล้วต้อง 2,500 กว่าปีแต่ใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนนี้ใจของท่านก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้และจะเป็นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดนะนี่คือความวิเศษ ของการมาสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจจะสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจได้ก็ต้องพบกับบัณฑิตนะถ้าพบบัณฑิตบัณฑิตคือบัณฑิตของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระอหรหันต์พระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันพระเหล่านี้ท่านจะรู้วิธีสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจ ให้เข้าหาพระเหล่านี้แล้วจะถือว่าได้ครบบันดิ ต, ตเมื่อได้ครบบันดิตก็จะได้มงคลมงคลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่แหละทำไมท่านถึงสอนให้อย่าไปคบคน่านให้คบบันดิตคน่านก็คือคนที่ไม่รู้จัก ความเจริญความสุขความเจริญทางจิตใจเป็นยังไงคนผ่านนี้จะรู้แต่ความสุขความเจริญทางโลกจะรู้จากวิธีหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาอะไรต่างๆแต่จะไม่รู้จากวิธีหาบุญหากุศลไม่รู้จากวิธีหามรรคผลนิพพานพอตายไปก็จะไม่มีบุญกุศลติดตัวไปไม่มีมรรคผลนิพพานติดตัวไป แล้วถ้ า, าไปทำบาปก็จะมีบาปติดตัวไปดังนั้นเราต้องพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเพราะว่าเราจะได้ยินได้ฟังวิธีที่จะสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆวิธีที่จะพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับให้ห่างกกลจากความทุกข์ขึ้นไปตามลาตามลำดับจนห่างแบบ เต็มที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้เข้าหาบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ น, นี่คือเรื่องของมงคลของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่ขั้นแรกของการสร้างความสุขความเจริญของจิตใจ เราได้ทำบุญทำทานเราไม่ทำบาปตอนนี้จิตใจเราเป็นอะไรเป็นเทวดาแล้วเทวดาก็มีหลายชั้นทํามากก็ขึ้นไปชั้นสูงมีต้องสิบหกชั้นทําน้อยก็อยู่ชั้นต่ำทํามากก็จะขึ้นไปชั้นสูงพอถึงชั้นสูงสุดอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ต้องไปนั่งสมาธิจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไป ขึ้นสวรรค์ชั้นเทพแล้วทีนี้ก็ไปเป็นสวรรค์ชั้นพรหมต้องหัดนั่งสมาธิต้องหัดบริกรรมพุทโธพุทโธพอใจจะสงบได้นี้ต้องมีสติสติก็คือพุทโธนั่นเองถ้าเราละเลิกถึงพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าเรากําลังสร้างสติขึ้นมาพอเราสร้างสติขึ้นมาเราก็จะหยุดความคิดได้พอเราพุทโธพุทโธความคิดก็จะหยุด พอความคิดหยุดใจก็จะนิ่งพอใจนิ่งใจก็สงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆฌานนี่แหละคือเป็นสวรรค์ชั้นพรมถ้าได้เข้าฌานขั้นที่หนึ่งก็ได้สวรรค์ชั้นพรมขั้นที่หนึ่งได้ฌานสองก็ได้สวรรค์ชั้นพรมชั้นที่สองได้ฌานสามก็ได้สวรรค์ชั้นพรมชั้นที่สามไปเรื่อยๆถึงสชั้นที่8ดสวรรค์ชั้นพรมนี้ก็มีอยู่แปดชั้นด้วยกัน มีความสุขมากน้อยต่างกันไปชั้นหนึ่งก็น้อยกว่าชั้นสองชั้นสองก็น้อยกว่าชั้นสามความสงบมันจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอจนไปถึงสวรรค์ชั้นที่สูงชันชั้นผมที่สูงสุดชั้นแปเนตอนนั้นก็ได้พบความสุขสุดยอดเพียงแต่ว่ามันยังเป็นความสุขที่เสื่อมได้ พอเราออกจากสมาธิมามันก็ถอยออกมาถอยออกมาสู่ระดับมนุษย์ถ้าอยากจะกลับขึ้นไปใหม่ก็ต้องนั่งสมาธิใหม่นี่คือถ้าไม่อยากจะตกลงมาก็ต้องขึ้นไปต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งคือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาต้องศึกษาว่าอะไรเป็นตัวดึงจิตให้ลงต่ำ ตัวที่ดึงจิตให้ลงต่ําจากสวรรค์ชั้นพรหมก็คือกิเลสตัณหานั่นเองพอจากสมาธิมาปั๊บอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาทันทีอยากจะกินขนมขึ้นมาทันทีนีถ้าไปธรำก็กลับลงมาเป็นมนุษย์ทันทีถ้ายังอยากจะเป็นพรหมต่อไปยังอยากจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมต่อไปก็อย่าไปกินมันถ้ายังไม่ถึงเวลากินอยากกินอย่า ก, กินตามความอยากกินตามเวลาได้ หิวน้ำก็ดื่มแต่น้ำอย่าไปดื่มกาแฟ ى. เอาน้ำเปล่าๆได้ดื่มน้ำเปล่าๆได้ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าดื่มกาแฟ ى, ดื่มเป๊ปซี่ดื่มโคลาดื่มเบียร์ดื่มเหล้านี่เป็นกิเลสอันนี้คือ ว, วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปต้องตัดความอยากต่างๆของมนุษย์ให้หมดไปมนุษย์อยากอะไรเราอย่าไปอยากตามมนุษย์ อยากได้ลาบยศก็อย่าไปเป็นอยากร่ำอยากรวยก็อย่าไปเป็นให้อยู่เฉยๆนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเอาแล้วนะฝนทาท่าจะมาอีกแล้วมั้นก็จะขออนุโมทนาให้พรน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 อิติตังปะติต um ังตุมหังกิพเปเมวาสมิตจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจานตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวทวันตระโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทานศิลิศานิจังวุทธาปัจจายโนจตารุธรรมวัฏฐาติอายุวันโนสุขังภาลัง